วิธีระงับปรับภาชนิยกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปรับภาชนิยกรรมอย่างนี้คือภิกษุผู้ถูกสงลงปรับภาชนิยกรรมพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลาย นั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงปรับภาชนิยกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับปรับภาชนิยกรรมพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจะตุทะกรรมวาจาว่าท่านผู้จเจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงฆ์ลงปรับภาชนิยกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปรับภาชนิยกรรมถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงระงับปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติ ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงฆ์ลงปรับภาชนิยกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปรับภาชนิยกรรมสงระงับปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้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 หายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปรบภาชนียกรรมสองระงับปรบภาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับปรบภาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงปรปภาชนียกรรม สงระงับแล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปพาชนียกรรมที่สามจบ